วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สเอ็มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันพระวันธรรมวัฒนะแปลว่าวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้ศรัทธาญาติโยง ชาวพุทธได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณมีประโยชน์มากต่อผู้ที่ได้รับการศึกษาเพราะเป็นความรู้ที่จะนํามาพัฒนา จิตใจให้มีความสุขมากขึ้นและให้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปและหมดสิ้นไปได้การฟังธรรมนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สามองค์ประกอบด้วยกันคือหนึ่งปริยัติธรรมแปลว่ า, าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุถึงผลที่การปฏิบัติจะให้แก่ผู้ปฏิบัติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองการพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเอาหมายของพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่การ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ชนิดไหนก็ตามความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัท่าจากกันความทุกข์เหล่านี้จะหมดสิ้นไปจากใจของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้บรรลุทำขั้นต่างๆพระพุทธศาสนานี้ก็ประกอบด้วยปริยัติคือการศึกษา ศึกษาแล้วก็นำอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆจนหมดสิ้นไปนี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนาไม่ได้มามีหน้าที่มาสร้างความร่ำรวยให้กับพวกเรา ไม่ได้มาสร้างลาบยศสรรเสริญ ส, สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้แก่พวกเราเพราะโลกธรรมที่ได้กล่าวถึงนี้คือลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดา เมื่อเกิดการเสื่อมก็เกิดความทุกข์ตามมาเป็นธรรมดาดัางนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เน้นสอนให้ผู้ที่เข้าศึกษาผู้ที่ได้ผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมนี้ให้เจริญทางลาบยศสารเสญสุขกันแต่ให้เจริญทางธรรมเจริญทางมรรคผลผนิพพานคือเจริญ ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปดังนั้นผู้ที่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนก็จะเข้าใจผิดได้คิดว่าการเข้าหาพระพุทธศาสนาแล้ว<ม>จะทำให้เจริญในลาบยศสสรเสริญุข แล้วพวเราไม่เจริญในรากยุสารเสนสุขก็เลยเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะหลงหลงผิดคิดว่าศาสนาจะช่วยให้เราร่ำรวยกันคิดให้เราเป็นใหญ่เป็นโตกัน ค, คิดให้เราได้รับรางวัลต่างๆ ว่าให้เราได้มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกันไปตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โลกธรรมคือราบยศสารสญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามีการเจริญราบก็ต้องมีการเสรื่อมราบมีการเจริญยศก็ต้องมีการเสรื่อมยศมีการ มีการสรเสริญก็มีการดินทามีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะมีความทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตามมาดังนั้นผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงไม่มุ่งไปสู่การไปหาโลกธรรมมาเป็นสมบัติของตนเพราะเท่ากับการ เข้าหาความทุกข์นั่นเองได้ราบแล้ววันหนึ่งก็ต้องเสื่อมราบไปได้ยศแล้ววันหนึ่งก็ต้องเสื่อมยศไปได้สรรเสริญแล้ววันหนึ่งก็ต้องได้พบกับดินทาได้สุขแล้ววันหนึ่งก็ต้องได้เจอกับความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาไม่สอนให้เข้า หาหรือให้แสวงห า, หาเพราะการแสวงหาโลกธรรมคือราบยศสรรเสริญสุขก็เท่ากับการแสวงหาความทุกข์นั่นเองแต่ให้ออกจากการแสวงหาราบยศสรรเสริญสุดแล้วให้เข้าสู่การแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจนี้ เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของโลกกระทคือราบยศสนเสริญสุขเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดเป็นความสุขที่ถาวรถ้าสามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดได้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ จากการฟังเทศฟังธรรมจากการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางกันไม่ให้ให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอกขึ้นมาการฟังธรรมนี้จะเกิดประโยชน์ได้ก็ต้องฟังแบบใจที่สงบวาจาที่สงบ กายที่สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบจะไม่สามารถรับธรรมเข้าไปสู่ในใจได้นั่นเองการฟังธรรมจึงไม่นิยมที่จะมีการสมทนากันคนที่นั่งฟังธรรมไม่ควรที่จะพูดคุยกันไม่ควรที่จะมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายคือทำอะไรต่างๆ และทางใจก็ไม่ควรที่จะให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆควรให้ใจจดจ่ออยู่กับทมที่กำลังแสดงอยู่เท่านั้นทมถึงจะสามารถเข้าไปสู่ในใจได้แล้วจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่ง จะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทำให้กำจัดความนังเลยสงสัยต่างๆได้หมดและสี่ทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำให้จิตสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่ผู้ฟังทำแบบกายวาจาใจที่สงบนี้จะได้รับกันแต่ถ้าฟังด้วยกายวาจาที่ไม่สงบนี้ประโยชน์เหล่านี้ จะไม่ได้รับกันหรือได้รับก็ได้รับเป็นเพียงบางส่วนบางเซ่ยวไม่ได้รับอย่างสมบูรณ์ดังนันถ้าต้องการฟังทำเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจึงต้องฟังแบบกายวาจาใจที่สงบ <Yeah. S 1> แล้วทำที่เราไม่เคยได้ยินเราก็จะได้ยิน ทำที we we here, ่เราเคยได้ยินแล้วเมื te ah ่อเราได้ฟังอีกเราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วความลังเลสงสัยต่างๆในธรรมนี้ก็จะหมดไปจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องความสำคัญของการฟังธรรมนี้ก็มีอยู่ตรงสองข้อนี้คือจะกำจัดความสงสัยต่างๆ ที่มีในใจของเรานี้ให้หมดไปทำให้เรานี้เห็นความจริงมีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงหลักของความเป็นจริงหรือหลักของความสงสัยของพวกเรานี้คืออะไรก็คือหลักกรรมนี่เองกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมและเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราจะสงสัยกันอยู่เรื่อยว่าตายแล้วไปเกิดใหม่อีกหรือเปล่าใครไปเกิดใหม่ในเมื่อเรามีเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียว แเวลาน่างกายตายไปเราก็เห็นว่าเขาก็เอาไปเผาไ ป, ไปกลายเป็นขี้เถ้าที่ฐานไปหรือเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปแล้วใครไปเกิดใหม่ใครไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทําเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาของคนที่ไม่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะต้องสงสัยด้วยกันทุกคนแต่พอได้ฟังธรรมแล้วก็จะเริ่มเข้าออกเข้าใจคือว่าส่วนประกอบชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้มีเพียงร่างกายเป็นเพียงส่วนเดียวนอกจากร่างกายแล้วเรามีจิตใจด้วยจิตใจนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับฝาแฝดเป็นแฝดสยาม สมัยก่อนแผดสยามนี้เขาไม่มีความสามารถที่จะแยกร่างกายออกจากกันในอินกับในจันทร์ก็เลยต้องไปไปด้วยกันไปไหนก็ต้องไปด้วยกันก็เลยคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่ความจริงเป็นคนสองคนอินกับจานทร์นี้มีความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่เหมือนกันฉันใดและพวกเราก็เหมือนกัน พวกเราก็เป็นเหมือนแฝดสยามเรามีแฝดพี่กับแฝดน้องแฝดน้องก็คือร่างกายแฝดพี่ก็คือจิตใจที่มารวมตัวกันตอนที่มีการปฏิสนธิร่างกายในคันของมารดาเมื่อมีการผสมพันธ์ระหว่างพันของพ่อกับของแม่เมื่อมาผสมกันก็จะเกิดการก่อร่างสร้างตัว ของร่างกายขึ้นมาแล้วก็จะมีดวงวิญญาณหรือจิตใจที่ได้แยกออกจากร่างกายอันเก่าร่างกายอันเก่าตายไปจิตใจก็จะเหลือก็จะเหลือแต่จิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจ น, นี้ตอนที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณพอจิตวิญญาณได้มาพบกับร่างกายอันใหม่ ก็เลยเข้ามาเกาะติดกับร่างกายอันใหม่แล้วก็เป็นผู้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้พอได้คลอดออกมาจากท้องแม่พอเจริญเติบโตก็หัดหัดทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายจิตใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายหัดทำอะไรต่างๆ หัดให้ยืนหัดให้เดินหัดให้วิ่งหัดให้พูดหัดให้ทำอะไรต่างๆนี้ร่างกายนี้เขาไม่สามารถทำอะไรตามลำพังของเขาได้เขาต้องมีจิตใจเป็นผู้สั่งการจิตใจมาเกาะติดกับร่างกายก็เพราะว่าจิตใจต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการตอบสนองความอยากของจิตใจจิตใจนี้มีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆการที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไว้เป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะเข้ามา จิตใจที่เวลาไม่มีร่างกายก็จะรอจังหวะรอเวลาพอมีใครสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ละเป็นจังหวะหรือเป็นคิวของตนที่จะไปได้รับร่างกายอันนั้นจิตใจก็จะไปเกาะติดกับร่างกายอันนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกับร่างกายพอเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่ จิตใจก็เห็นเพียงแต่ร่างกายจิตใจไม่เห็นตัวเองร่างกายนี้มีตาพอเราส่องกระจกดูเราก็เห็นหน้าตาของร่างกายแต่เราจะไม่เห็นหน้าตาของจิตใจว่าเป็นอย่างไรจิตใจก็เลยไปคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายไปอันนี้คือความเห็นผิดข้อที่หนึ่งข้อแรกเวลาเกิดมานี้ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วก็จะคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราเราเราเป็นร่างกายแต่ไม่รู้ความจริงว่าเราคือจิตใจเราเป็นผู้คิดผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายเรารับรู้รูปจากตาเรารั บ, ร, บรับรู้เสียงจากหูรับรู้กลิ่นจาก จมูกรับรู้ลดจากลิ้นรับรู้ผทะพะคือสัมผัสต่างๆเช่นความเย็นความหนาวความร้อนความนุ่มความแข็งของสิ่งต่างๆที่มากระทบกับร่างกายนี้ร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับรู้ร่างกายไม่มีความรับรู้ไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆไม่รู้รูปไม่รู้เสียงถึงแม้ว่าตาจะเห็นรูป หูจะได้ยินเสียงแต่ตาไม่รู้ว่าเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรเหมือนกับกล้องถ่ายรูปหนือโทรศัพท์มือถือนี่เขาถ่ายรูปได้<ม>เขาบันทึกเสียงได้<ม>แต่เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไรหรือบันทึกเสียงอะไร<ม>นี่แหละคือร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นเพียง เหมือนกล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องมือมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายที่จะรับข้อมูลทางตาทางรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาผู้ที่รู้นี่คือใจและเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับเวทนาก็คือความสุขต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆ ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองเร่างกายนี้ไม่รับรู้เรื่องเวทนาถึงแม้จะมีอะไรมากระทบกับร่างกายดุลแรงหรือไม่ดุลแรงร่างกายนี้เฉยไม่ใครเอามีดไปทิ่มไปแทงก็เฉยดูเวลาคนตายเนี่ยเอาเอาเข็มไปทิ่มเนี่ยจะไม่มีอาการสะดุ้ง แต่เวลาที่ยังไม่ตายนี่เวลาเอาเข็มไปทิ่มนี่จะมีอาการสะดุ้ง mm hmm. การสะดุ้งนี้ไม่ได้สะดุ้งเพราะร่างกายสะดุ้งเพราะจิตใจผู้รับรู้เวทนาที่เข้ามาทางร่างกาย mm hmm. ก็เกิดอาการสะดุ้งขึ้นมา mm hmm. อันนี้แหละคือจิตใจที่พวกเรามองไม่เห็นกัน mm hmm. มองไม่เห็นตัวเราเอง mm hmm. พูดง่ายๆ ไปมองเห็นร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเองแล้วเราก็ไปหลงที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็เลยไปวุ่นวายไปทุกข์กับร่างกายเพราะธรรมชาติของร่างกายนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาเวลาเกิดการเจ็บใจก็วุ่นวายไปกับร่างกายเวลาเกิดความแก่ก็วุ่นวาย เวลาจะตายก็วุ่นวายไปกับร่างกายทั้งทั้งที่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่จะทำให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายใจเป็นเหมือนความว่างความว่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันทำให้มันแก่ทำให้มันเจ็บทำให้มันตายแต่เนื่องจากใจนี้ สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี่เองก็เลยไปหลงคิดว่าตันเองเป็นร่างกาย<ม>เพราะตนเองทำทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางร่างกายจะทำอะไรก็ใช้ร่างกายเป็นผู้กระทำอยากจะไปไหนมาไหนก็สั่งให้ร่างกายพาไปอยากจะดูก็ใช้ตาของร่างกายดูอยากจะฟังก็ใช้หูของร่างกายฟัง ก็เลยไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายไป ก, ก็เลยต้องมาทุกขกับความเป็นไปของร่างกายอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนนี้จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าใจนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันกแล้วใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ร่างกายแก่ใจก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายร่างกายเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายร่างกายตายใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคนเป็นเหมือนแปดสยามที่จะแยกตัวออกจากกันเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็อยู่ใน พบของตนใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายโลกของร่างกายนี้เราเรียกว่าโลกธาตุเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสีทั้งนั้นมาจากธาตุสีคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเช่นต้นไม้นี้ก็มีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แต่ธาตุบางส่วนก็อยู่ตามนามพังของตนเช่นน้ําน้ําก็เป็นธาตุน้ําำลว้ลวนลมที่พัดมานี้ก็เป็นธาตุลมลว้ลวนไฟก็คือความร้อนที่ได้รับจากแสงพาทิตย์นี้ก็เป็นธาตุไฟดินก็คือดินที่เราเหยียบย่ำกันอยู่นี้ก็เป็นธาตุดินแต่เวลาธาตุทั้งสี่นี้มาผสมกันเช่นฝนตกลงมา ลงสู่ดินดินก็มีเมล็ดพืชต่างๆก็จะงอกงามขึ้นมาได้ก็เป็นการผสมของน้ำกับดินแล้วก็ของอากาศคือลมธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเพราะว่าถ้าหนาวเกินไปต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ถ้าร้อนเกินไปก็ขึ้นไม่ได้เช่นในทะเลทรายนี้จะไม่มีต้นไม้ เพราะมีแต่ธาตุดินกับธาตุลมธาตุไฟแต่ไม่มีธาตุน้ําถ้าไปอยู่ที่หนาวก็ไม่มีธาตุไฟเช่นไปอยู่ขั้วโลกเหนือนี่ก็ไม่มีต้นไม้ <c oughs> เพราะว่ามีแต่น้ําที่เป็นน้ําแข็ง <c oughs> มีดินก็ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าที่ไหนมีธาตุทั้งสี่นี้อยู่อยู่พอประมาณอยู่ มีปริมาณที่พอดีอย่างที่นี่ที่เราอยู่กันเนี่เรามีธาตุดินที่ที่พอดีมีธาตุน้ำมีฝนตกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็มีอากาศมีความร้อนไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปเราจึงมีต้นไม้ใบหญ้าเจริญเติบโตขึ้นมาต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้ก็ทำมาจากธาตุทั้งสีนี้ร่างกายเราก็ต่อเนื่องมาจาก ธาตุทั้งสีนี้ร่างกายเราก็กินข้าวกินข้าวก็มาจากดินน้ำลมไฟกินผักก็มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็บวกกับลมคือลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วน้ำที่เราดื่มเข้าออกแล้วก็ความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตขึ้นมา นี่คือเรื่องของธาตุโลกธาตุทุกสิ่งทุกอย่างนี้ประกอบมาจากธาตุบางทีก็มีธาตุเดียวธาตุเดียวเช่นน้ำก็เป็นธาตุน้ำธาตุเดียวลมก็เป็นธาตุลมธาตุเดียวไฟก็เป็นธาตุไฟธาตุเดียวแต่ส่วนอย่างอื่นถ้ามีการรวมตัวกันก็จะมีรวมด้วยธาตุทั้งสี่เช่นต้นไม้นี้ก็ต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ร่างกายของเราก็ต้องมีธาตุทัท้งสถึงจะมีร่างกายนี้ขึ้นมาได้ น, น, นี่คือโลกของร่างกายคือโลกกทัทธาส่งจิตจิตจิตใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์จิตใจนี้เป็นกายทิพย์ส่วนร่างกายนี้เป็นกายหยาบเป็นฝาแฝดมาเกาะติดกันแต่พอกายหยาบตายไป กายทิพนี้ยังไม่ตายกายทิพย์อยู่ต่ออยู่ในโลกทิพย์อยู่ในสภาพแบบไหนก็อยู่ในสภาพแบบตอนที่เรานอนหลับเนี่ยตอนที่ร่างกายนอนหลับนี้จิตใจของเรานี้ไม่ได้หลับไปกับร่างกายจิตใจของเรายังท่องอยู่ในโลกทิพย์ต่อท่องด้วยอำนาจของบุญเนืออำนาจของบาปท่องในรูปแบบของความฝันนี่ เวลาที่เราฝันดีสแสดงว่าจิตใจกําลังท่องอยู่ในใ น, ในส่วนของสีกของโลกทิพย์ที่มีความสุขถ้าเราฝันร้ายนี่ก็สแสดงว่าจิตใจของเรากําลังท่องอยู่ในโลกทิพย์ที่ที่มีในสีก ข, ของความทุกข์โลกทิพย์นี้แบ่งเป็นสองซีกทุกขติกับสุขติสุขติก็คือที่ที่มีแต่ความสุขเน ทุกติก็เป็นซีกที่มีแต่ความทุกข์ดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์นี้เราเรียกดวงวิญญาณที่อยู่ในอบายมีอยู่สามชนิดด้วยกันเช่นเปรตสุรรกายและนรกนี่คือจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําบาปในขณะที่อยู่ อยู่กับร่างกายในขณะที่ทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายเช่นเวลาเราไปทำบาปไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดเรากำลังสร้างผลกระทบต่อจิตใจไปในทางที่ไม่ดีคือสร้างสร้างบาปสร้างทุกข์ให้แก่จิตใจแล้วพอเวลาที่ร่างกายนี้ ไม่ได้ทำงานเช่นเวลาร่างกายพักผ่อนหรือเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็จะถูกผลกระทบของบุญหรือของบาปที่ตนเองได้ทาไว้มีมาสร้างเหตุการณ์ต่างๆให้ได้สัมผัสรับรู้ในรูปแบบของความฝันนี่เอเนี่คือความจริงเวลาร่างกายนอนหลับนี้เป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่า เวลาร่างกายตายไปจริงๆก็เป็นเหมือนกับร่างกายนอนหลับนี่แหละจิตใจก็จะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายทำอะไรได้<ม>ก็เลยต้องใช้บุญหรือบาปที่ตนเองได้กระทำไว้นี้มาเป็นผู้ให้ได้เสพได้สัมผัสเรื่องราวต่างๆต่อไปเพราะจิตใจนี้มีความหิวโหวยกับเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลา อยากเห็นอยากอยากได้ยินอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆตลอดเวลาเวลาไม่มีร่างกายพาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็อาศัยการกระทําที่ได้กระทําไว้ตอนที่ร่างกายไม่ได้นอนหลับนี้มาเป็นอารมณ์แทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในขณะที่ร่างกายตื่นนี้ มันจะถูกบันทึกไว้ในใจใจนี้เป็นเหมือนเครื่องบันทึกเหตุการณ์ต่างๆบันทึกเหตุการณ์ที่ดีบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีไว้ในใจและเวลาที่ร่างกายนี้นอนหลับไปแล้วตายไปนี้จิตใจก็จะเอาเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว้นี่มามาสร้างเรื่องราวต่างๆให้จิตใจได้เสพได้สัมผัสต่ตอไปถ้า ได้บันทึกแต่เหตุการณ์ที่ไม่ดีก็จะมีแต่เหตุการณ์ไม่ดีปรากฏขึ้นมาในฝันถ้าได้บันทึกแต่เหตุการณ์ที่ดีๆไว้เวลาตายไปหรือเวลานอนหลับก็จะได้เหตุการณ์ที่ดีปรากฏขึ้นมาในฝันอันนี้แหละคือการไปรับผลบุญผลบาปของจิตใจของพวกเราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป ผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็คือจิตใจซึ่งเราสามารถเห็นได้ตั้งแต่ยังไม่ตายเช่นทุกคืนที่เรานอนหลับนี่เราอาจจะฝันดีบ้างเราอาจจะฝันไม่ดีบ้างหรืออาจจะไม่ฝันบ้างก็ได้มันแล้วแต่กรณีไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่นอนหลับจะต้องฝันเสมอไปหรือบางทีฝันแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ลืมได้ทันทีเลยเพราะว่าบางที ความฝันนี่มันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่จางไปหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนควันไฟพอตื่นขึ้นมาปั๊บเดิไปเลยบางทีอยากจะรู้อยู่คร่าวๆว่าฝันดีหรือฝันลายแต่พอจะนึกถึงมันว่าฝันเรื่องอะไรนี้บางทีนึกไม่ถึงแล้วเพราะมันจางหายไปอย่างรวดเร็วแต่อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือเป็นเครื่องยืนยันให้พวกเรารู้ว่า บุญกรรมนี่มีจริงบุญบาปนี่มีจริงและผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็คือจิตใจนี่แหละที่จะเป็นดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายหรือตอนที่ร่างกายนี้ไม่ทำงานเช่นนอนหลับหรือสลบสลายไปเวลาร่างกายสลบสลายหรือนอนหลับเนี่ยจิตใจก็ยังไปต่อจิตใจก็จะฝันเรื่องราวต่างๆฝันเรื่องดีบ้างฝันเรื่องร้ายบ้าง ถ้าเป็นฝันเรื่องดีก็เรียกว่าเป็นผลของบุญที่ได้ทำเอาไว้เพราะเวลาเราทำบุญเราจะบันทึกแต่เหตุการณ์ดีๆเราไปทำสิ่งที่ดีทำให้เกิดความสุขกับผู้อื่นน่กับตัวเราบันทึกแต่เรื่องที่เป็นสุขแต่ถ้าเราไปทำบาปนี่เราก็จะไปบันทึกเรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องที่วุ่นวายเรื่องที่เดือดร้อนเดือดอร้อนใจต่างๆเหตุการณ์เหล่านี้มันถูกบันทึกไว้ในใจของเรา แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาตอนที่เราไม่มีร่างกายหรือตอนที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายได้เช่นเวลาร่างกายนอนหลับหรือร่างกายสลบสลายไปอันนี้แหละเป็นเป็นการพิสูจน์หรือเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายแล้วไม่สูญบางท่านถ้าเห็นแต่เพียงร่างกายก็จะคิดว่า เมื่อร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็ศูนย์หมดใช่ไหมศูนย์ในส่วนที่เป็นของร่างกายเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี้ร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะเอาติดร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะเคลือนเป็นเป็นของของตนได้นะพอตายไปเขาก็เอาร่างกายไปเผาไปฝังส่วนทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของร่างกายนี้เขาก็แบ่งให้คนอื่นไป แล้วแต่ว่าจะจัดการกันอย่างไรถ้าจะสั่งไว้ก่อนเขาก็จะจัดการตามสั่งเช่นเขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะยกสมบัติอนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ทําได้เพียงเท่านั้นแต่ไม่สามารถเขียนพินัยกรรมว่าให้กับคนตายได้ถ้าเขียนพินัยกรรมให้กับคนตายได้ก็ดีนะเวลาฉันตายไปนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ต้องเป็นของฉันต่อไปนะพิพนัยกรรมแบบนี้ไม่มี ไม่มีผลไปอย่างใดเพราะว่าผู้ที่ตายไปนี้ไม่สามารถไม่สามารถนัรับผลของพี่พนัยกรรมนี้ได้แต่<ม>ถ้าเราเพียงมองแต่เพียงร่างกายล้วก็จะคิดว่าตายแล้วศูนกัน<ม>ตายแล้วจบ<ม>ทำบุญทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปเพราะว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังรับไม่ได้แล้วบุญกับบาปที่ได้ทำไว้จะไปรับได้อย่างไร อันนี้เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงความความถูกความเห็นที่ถูกต้องก็คือต้องเห็นว่าผู้ที่ไปผู้ที่ทำบาปทำบุญนี้ก็คือจิตใจและผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปก็คือจิตใจร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือ เหมือนกับเนี่ยกล้องถ่ายรูปเนี่ยแมื่าเรากล้องถ่ายรูปนี้ไปถ่ายอะไรแล้วเราไปประกวดหรือเอาไปทำแล้วมีคนเขาเห็นว่ามีคุณค่าเขาก็อาจจะมอบรางวัลให้กับคนถ่ายแต่เขาไม่ได้มอบรางวัลให้กับกล้องใช่ไ ากล้องเป็นเพียงเครื่องมือท่านเองแต่ก็จะมอบรางวัลให้คนถ่ายว่าถ่ายภาพได้สวยงามทำภา พ, พยนต์ทาสารคดีหรืออะไรต่างๆผ่านกล้องชนิดนี้ก็ได้รับรางวัลแต่กล้องนี้ได้รับก็เพียงแต่ได้รับคำชมว่าเป็นกล้องดีแต่รางวัลผู้ที่รับรางวัลก็คือผู้ที่ถ่ายภาพ ชั้นได้ร่างกายกับจิตใจก็เหมือนกับคนคนที่ใช้กล้องนี่จิตใจนี่เป็นคนใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆไปทำบุญบ้างไปทำบาบ้างแล้วผลของบุญของบาปนี้ก็จะถูกบันทึกเก็บไว้ในใจไปเรื่อยๆแล้วจะรับผลก็ตอนที่นอนหลับหรือแม้กระทั่งไม่นอนหลับก็ได้รับผลทันทีเช่นเดียวกันทางจิตใจ เช่นเวลาเราทำบุญเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจอันนี้แหละคือผลบุญที่เราไดท้ที่ได้เกิดขึ้นจากการทำบุญของเราในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันเวลาเราทำบาปปั๊บนี่ความรู้สึกไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเป็นผลของบุญของบาปที่เกิดขึ้นที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้รับรู้ได้ เป็นส่วนหนึ่งและยังไม่หมดเวลานอนหลับก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเวลาตายไปก็โผล่ขึ้นมาอีกมีต้องสามสามครั้งด้วยกันที่ผลของบุญของบาปนี้จ ะ, สะแสดงผลในขณะที่เราได้ทามันไปแล้วรั้นถ้าเราไม่เข้าใจหลักนี้เราเราอาจจะไปคิดถึงรางวี่รางวัลอะไรต่างๆที่เกิดจากการทำความดีของเราเราทำความดี บริจากเงินให้กับสถานที่เนี่ยสถานีที่นี้แต่ทําไมไม่ได้รับเกียรติยศไม่ได้รับเหรียญตราไม่ได้รับใบประกาศชณียบัตรอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าบางทีเขาไม่รู้ก็ได้ว่าเราได้ทําไปเขาก็เลยไม่ได้มีการสรรเสริญยกย่องหรือว่าทําแล้วยังไม่เข้าข่ายของของเขาเขาก็จะไม่ยกย่องสรรเสริญให้ คนเราส่วนใหญ่มักจะไปมองขนทางทางนี้กันทางลาบยศสรเสริญสุขกันที่ว่าถ้าทำดีแล้วเราจะต้องเจริญในลาบยศสารเสริญสุขซึ่งความเป็นจริงในโลกนี้เราก็เห็นกันอยู่ว่าความเจริญในลาบยศสารเสริญสุขนี้ทำชั่วก็เจริญมีเยอะแยะไปทำบาปแล้วกลับร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตก็มีไม่ได้ไม่ได้เป็นผลของการทำความดี คนทำดีกับไม่ได้ดิบได้ดีก็มีเยอะแยะไปดังนั้นถ้าเราไปวัดผลของบุญของบาปจากในราบยศรลเสริญสุขนี้เราจะผิดหวังเราจะไข้เขวได้เราจะลังเลสงสัยอย่างที่มีคำพูดที่เขาพูดกันว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปมันก็เลยจะทำให้ท้อแท้ต่อการกระทำความดีแล้วก็จะ ขยันทาไม่ดีเพราะทําไม่ดีแล้วได้ผลเร็วกว่าทำบาปแล้วนี่ได้ได้เงินทองมาง่ายกว่าได้มากกว่าและเร็วกว่าการทำความดีอันนี้ก็เลยเข้าใจผิดกันถ้ามาศึกษาธรรมแล้วเราจะได้เข้าใจว่าการทำความดีหรือการทาบุญนี้ผลอยู่ที่จิตใจ การทำบาปการทำความชั่วก็เช่นเดียวกันผลอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความรู้สึกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เวลาเราทำบุญเราจะมีความสุขใจสบายใจเวลาเราทำบาปเราจะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจแล้วเวลาเรานอนหลับฝันไปเราก็จะฝันดีถ้าเราทำบุญถ้าเราฝันรา้ายทำถ้าเราทำบาปเราก็จะฝันร้าย แล้วถ้าเราตายไปเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ฝันดีหรือฝันร้ายดวงวิญดวงวิญญาณที่ฝันดีเราก็เรียกพวกว่าเทวดาอยู่ในสวรรค์อยู่ในซีของสวรรค์ในโลกโลกกระเทพนี้แบ่งเป็นสองซีซีสุขกติกับทุกติสุขกติก็ซีของสองที่มีความสุข พวกดวงวิญญาณที่ทำบุญก็จะไปอยู่ในซีกนี้จะฝันดีมีเรื่องที่จะให้แต่ความสุขตลอดเวลาส่วนพวกที่ทำบาปก็จะไปอยู่ในซีกของทุกขติทุกขติก็จะฝันลายฝันถึงเหตุการณ์ล่ไลไปอยู่ที่โอดอยากขาดแคลนเนี่ยหิวโหยตลอดเวลายากจนไปเป็นคนยากคนจนไปเป็นขอทานเป็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าฝันลายเพราะว่าบาปเป็นผู้ ผู้ผลิตฝันเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพอหมดกาลังลงบุญที่ทําไว้หมดกําลังหรือบาปที่ทําไว้หมดกําลังก็จะไปรอรับร่างกายใหม่ต่อไปรับร่างกายนี้เพื่อมาเกิดกันใหม่มาเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วผู้ที่มาจากสิกสุขติก็จะมี มาเกิดแบบผู้ที่มีวาสนาบารมีคนที่มาจากซิกสุกติคนที่บุญพามาเกิดเขาเรียกบุญพามาเกิดลพวกลงพวกที่ลงมาจากสวรรค์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพวกที่มาเกิดพร้อมภูน ด, ด้วยวาสนาบารมีเช่นมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสเกิดในครอบครัวที่มีฐานะเงินทองที่ดี มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานมีอาการครบสามสิบสองมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดอันนี้เป็นผลที่ได้รับจากการทำบุญมาในอดีตส่วนพวกที่ทำบาปมาในอดีตก็จะเป็นตรงกันข้ามจะเป็นผู้มาเกิดมีอาภัพวาสนามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมี ผิวพัธุ์ไม่ผ่องใสมีอาการไม่ครบสามสิบสองมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุไม่ยืนยาวนานไม่มีความรู้ความฉลาดขาดมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาอันนี้คือเรื่องของบุญของบาปนที่เราจะได้เรียนรู้แล้วจะได้ทำความเข้าใจว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ผลของบุญของบาปก็มีจริงเช่นนรกสวรรค์นี้ก็มีจริงแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายเก่านี้ตายไปพอจิตได้ไปรับผลบุญผลบาปหมดแล้วก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปทำไมยิงต้องมารอรับร่างกายอันใหม่ก็เพราะว่าจิตใจนี้ ยังมีความอยากอยู่มีกิเลสตัณหานี่เองกิเลสตัณหาก็คือความโลภความอยากหาวความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามตัณหาแล้วก็มีความอยากมีอยากเป็นกันทุกคนพอมาเกิดแล้วอยากจะเป็นคนเป็นเป็นอะไรเป็นตำแหน่งมีตำแหน่งมีอะไรอยากจะเป็นคนที่พิเศษกับคนอื่นพูดง่า ย, ายๆก็ต้อง แสวงหาตำแหน่งต่างๆบางทีก็สมัครเป็นผู้แทนสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัครเป็นกำนันอะไรเรียนหนังสือก็อาจจะไปรับราชการเพื่อจะได้เป็นปลัดเป็นนายอำเภอถ้าเป็นทหารก็จะได้เป็นนายร้อยนายพลนายพันอะไรกันไปอันนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ยังมีอีกด้านหนึ่งก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือ คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้ใจนี้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ <S <S เช่นบางคนพอแกน่นี้บางทีก็ไม่อยากจะอยู่แล้วฆ่าตัวตายไปเปลี่ยนร่างกายันใหม่หมรือเ่าก็ เพราะวิภาวะตันหาเขาเรียกว่าวิภาวะทันหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายยุคนี้สมัยนี้นิยมกันมากเรื่องการฆ่าตัวตายหนีความแก่นี้ความเจ็บนี้ความตายกันมันก็หนีไม่พ้นพอตายไปเดียวมันก็กลับมาเกิดใหม่เพราะมันก็ยังอยากจะมีความสุขผ่านทางร่างกายพอมาเกิดก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายวิธีที่จะไม่ต้องมาเกิดก็คือต้องกําจัด ความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปความรู้นี้ไม่มีใครรู้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้รู้ว่าถ้าเรายังถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เป็นกันอยู่ในขณะนี้เราต้องหยุดตัวที่คอยผลักดันจิตใจของเราให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตัวที่ผลักดันจิตใจของพวกเราให้มาเกิดก็คือความอยากสามประการนี้ ตันหาสามตามาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไอสามตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้ดวงวิญญาณจิตวิญญาณของพวกเรานี้ต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆพอกลับมาเกิดก็ต้องมาวุ่นวายกันอย่างที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกครั้งเพราะมีเรื่องราวต่างๆมาคอยกระทบกับความต้องการของเราเสมอ เรานต้องการสิ่งนี้แต่บางทีมักจะไม่ได้กันมันก็ทำให้เราวุ่นวายกันและบางทีเมื่อไม่ได้โดยวิธีที่สุดจลิตมันก็จะทำให้เราไปหามาด้วยวิธีไม่สุดจลิตคือด้วยวิธีทําบาปกันเนี่ยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราเกิดมาแล้วทาไมถึงต้องมาทำบาปกันทำไมถึงมาทาบุญกันพ่าเหตุการบางทีมันบีบให้เราไปทําบุญไปทำบาป เหตุการณ์ที่บีบให้เราไปทำบุญคืออะไรเราหาเงินมาได้มากกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเราก็เลยเอาไปทำบุญกันเพราะเราก็เห็นว่าประโยชน์การทำบุญทำแล้วทำให้เราสบายใจเราก็ไปทำบุญกันแต่บางทีเราก็ไปทำบาป ก, กันเพราะว่าบางทีเราอยากได้อะไรสักอย่างนึ่น เ, รเราไม่สามารถได้มาโดยวิธีที่ไม่ทำบา จะได้ก็ต้องทำบาปแล้วก็ต้องทำเพราะเวลามันอยากได้แล้วใจมันทรมานแต่พอได้มาแล้วความทุกข์ทรมานนั้นมันก็จะหายไปมันก็เลยบีบบังคับให้เราไปทำบุญทำบาป ก, กัน<ม>เหตุการณ์ต่างๆตัวที่ไปผลักดันก็คือความอยากต่างๆนี่เองถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปได้เราก็จะตัดปัญหาต่างๆไปได้หมด เราก็ไม่ต้องทำบุญเราก็ไม่ต้องทำบาปเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้อันนี้แหละคือความรู้ลึกลับของชีวิตที่พวกเราไม่รู้กันว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่การสิ้นความอยากเพราะเมื่อไม่มีความอยากแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาก็คือความพอนั่นเองความพอกับความอยากนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เวลาอยากแล้วมันอยู่มันไม่พอ แต่เวลามันพอแล้วมันก็ไม่อยากใช่เวลากินข้าวอิ่มพอแล้วยังอยากกินอยู่ไหมไม่อยากกินแล้วกินไม่ลงแล้วจริงแต่ว่ามันพอชั่วคราวแล้วเองพอสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเอาอีกแล้วเดี๋ยวพอท้องเริ่มเบาเริ่มว่างขึ้นมาอยากขึ้นมาอีกแล้วใจก็เหมือนกันใจเวลาเวลาอยากได้อะไรก็ต้องหามาให้ได้พอได้มาแล้วมันก็พอชั่วคราวพอเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อยากได้ของใหม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปเห็นหนูน่น<ๆ>เห็นนี่เข้ามาก็อยากได้ขึ้นมาอีกนะพอพอพอไปเอาสิ่งที่อยากได้มาแล้วเดี๋ยวก็พอพอเดียวเดียวเดียวอีกสักพักก็อยากขึ้นมาใหม่อีกแล้วความพอมันจะไม่มีวันหมดถ้าตราบใดเราตอบสนองทำตามความอยากพระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าวิธีที่จะทําให้ความอยากหมดไปจากจิตใจของเหานี้ ต้องทําด้วยการไม่ทําตามความอยากเท่านั้นเช่นอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็หมดกําลังลงไปเองอยากจะดูอะไรก็เหมือนกันอยากจะดูละครนี้ถ้าเราฝืนมันไปเรื่อยๆต่อไปความอยากดูละครมันก็หมดไปต้องฝืนวิธีเยอะที่จะฝืนนี่มันก็ต้องใช้การปฏิบัติทำเพราะว่า จิตใจของเราตอนนี้ไม่มีกําลังพอที่จะสู้กับความอยากได้อยู่ดีดๆบอกว่าตอนน่อไปนี้ไม่ไปเที่ยวนี่ไม่มีทางพูดได้แต่พอถึงเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่โอ้ยมันดิ้นถึงแม้ว่าตั้งใจว่าจะไม่เที่ยวแล้วก็ตามแต่พอเกิดความตอนที่เราพูดความอยากเที่ยวมันไม่มีไม่ใช่อะไรมันก็พูดได้แต่พอเวลาเกิดความอยากมันโผล่ขึ้นมานี้มันเลยไปหมดเลยเว่าได้พูดกับตัวเองไหมว่าจะไม่เที่ยวแล้วนะ พอเกิดความอยากขึ้นมานี่มันทรมานใจถ้าไม่ได้เที่ยวมันก็เลยต้องไประบายความทุกข์ความทรมานใจด้วยการไปเที่ยวนั่นเองแต่ไปเที่ยวมันก็ทําให้ความทรมานใจหายไปชั่วคราวมันจะกลับมาเป็นพักๆ พ, พอมันได้เที่ยวปั๊บมันก็หายอยากไปพักหนึ่งพอสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวหมดไปมันก็อยากจะไปเติมใหม่เติมความสุขจากการไปเที่ยวใหม่ มันก็ต้องเติมอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบวิธีว่าเราสามารถไม่ทำตามความอยากได้แต่เราต้องมีสิ่งอื่นมาทดแทนความอยากคือความสุขที่เราจะได้จากความอยาก<ๆ>ก็คือการทำใจให้สงบนี่เองถ้าเราทำใจให้สงบแล้วใจเราจะมีความสุขพอมีความสุขแล้วเวลาเกิดความอยากเราก็ฝืนมันได้เราก็ฝืน ว่าเราเอาความสุขแบบนี้ดีกว่าเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันดีกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็ไม่แน่นอนบางทีเราหวังจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็ไม่ได้ก็ผิดหวังก็เสียใจไม่แน่นอนทุกครั้งว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะได้เสมอไป แต่ความสงบนี้ถ้าเรารู้จักทำมันขึ้นมาแล้วเราสามารถทําทำมันได้ทุกครั้งทุกเวลาที่เราต้องการทุกเวลาเวลาไหนที่เราขาดความสุขแทนที่เราจะไปหาความสุขด้วยการทำตามความอยากต่างๆเราก็มาทำใจให้สงบกันนี่แหละคือเหตุที่ทำไมชาวพุทธเราจึงต้องมามาปฏิบัติทมกันมาถือศีลแปด มานั่งสมาธิกันเพื่อทําใจให้เรามีความสุขนั่นเองทําใจของเราให้สงบเพราใจของเราสงบแล้วเราจะไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆไม่ต้องหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องเสียเงินทองกัน เพียงแนตะ่นั่งเฉยๆนั่งหลับตามีสติคอยควบคุมความคิดให้หยุดคิดเท่านั้นเองเช่นให้นั่งนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือถ้ายัางบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็บดนั่งหลับตาสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปหลายๆรอบ สวดไปจะทั่งรู้สึกว่าใจนิ่งใจเย็นใจสบายใจไม่คิดอะไรแล้วก็มานั่งดูลมต่อก็ไนดะ้หันมาดูลมต่อดูลมเข้าดูลมออกอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวให้รู้อยู่กับเรื่องลมเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบพอนนิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมา เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆเป็นความสุขที่มีน้ําหนักมากกว่ามีความเย็นมีความสบายมากกว่า <Okay. S 1> ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง <Yeah. S 1> ลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบนี่เอง <Yeah. S 1> ถ้าเราได้เข้าถึงลดแห่งธรรมแล้วเราก็จะละการสวางหาลดจาก รูปเสียงกลิ่นลดโกรพธพะได้เราก็จะตัดความอยากในกลางได้ตัดความอยากมีอยากเป็นได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ได้รับการชั้นรเสริญยกย่องเยินยอด้วยลังวี่ลังวานอะไรต่างๆมากน้อยเพียงไรความสุขที่ได้ก็สู้กับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ ถ้าเราลองเข้าถึงความสงบแล้วนีน่เราจะสามารถที่จะตัดที่จะละความอยากต่างๆนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้พ อ, อความอยากที่คอยมาสร้างความทุกข์ความอยากที่คอยพาให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้มันไม่มันไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแล้วเพราะเราไม่ทำตามมันมันก็ฝ่อไปหดไปหายไป ใจก็ไม่มีอะไรที่จะมาผักดันใจิตใจนี้ให้ไปเกิดอีกต่อไปเช่นเวลาถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วใจิตใจที่ไม่มีความอยากนี้ก็จะไม่ไปเกิดใหม่อีกแล้วเพราะไม่มีความอยากที่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายก็ไม่มีต้องไม่ต้องมีร่างกายไม่มีความปรารถนาที่จะต้องมีอะไร ใจก็จะอยู่อย่างสงบใจที่สงบนี้ก็จะหยุดผลบุญผลบาปทั้งหมดด้วยใจจะไม่ต้องใบรับผลบุญผลบาปต่อไปเพราะใจจะอยู่ที่สงบเพียงอย่างเดียวที่ที่สงบเพียงอย่างเดียวนี้เราเรียกว่านิพพานใจที่สงบตลอดเวลาปราศจากอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนี่เรียกว่านิพพานใจที่ว่านิบานังปรมังสนยัง นิบานังปรมังสุ ข, ขังอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติสมาธิเพื่อทําใจให้สงบหนึ่งแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อรักษาความสงบให้สงบอย่างถาวรเพราะถ้าสงบด้วยสมาธิเพียงอย่างเดียวเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะถูกตัณหาความอยากมาสร้างความไม่สงบให้กับใจได้ จึงจำเป็นที่เรต้องมีปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันมันไม่ไม่ใช่เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของของใจใจไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้ความสุขกับใจได้เพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งต่างๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพลิกไปเปลี่ยนไปจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรแล้วความอยากก็จะไม่โผล่โผล่ขึ้นมาทีไรก็จะนึกถึงไตรลักษณ์ทุกรังไป พอคิกว่าต้องไปเจอกับความทุกข์นะถ้าได้สิ่งนี้แล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งนี้ไม่ช้าก็เหลวก็ต้องต้องมีการสิ้นสุดลงงานเลี้ยงย่อมมีการสิ้นสุดลงพอเวลาจัดงานเลี้ยงมักไม่ถึงไม่คิดถึงตอนที่งานเลี้ยงจบพองานเลี้ยงจบก็หายเฮหายหายกันตอนมีงานเลี้ยงก็เฮฮากันสนุกสนานพองานเลี้ยงจบก็เศร้าเหมือนเดิม อันนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นแบบนี้มันมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็มีดับไปถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเราก็จะเห็นความทุกข์ที่จะตามมาเราก็จะไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ความอยากที่เคยหลอกฉุดให้เราไปหาความสุขต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไป เมื่อไม่มีความอยากนองเหลืออยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาผลักดันให้จิตใจเราไปไปเกิดอีกต่อไปไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะจิตของเราจะอยู่ในความว่างนั้นอยู่อยู่ปราศจากเหตุการ์ต่างๆเหตุการ์ต่างๆบุญบาปต่างๆที่เคยได้ทำไว้มีมากน้อยเพียงไรจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจที่ปราศจากความอยากแล้ว ใจก็จะเป็นจิตใจที่อยู่เหนือบุญเหนือกรรมเหนือการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอันนี้คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันพระฟังเพื่อเ้เพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกัน ในการที่จะทําให้ชีวิตของเรานี้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เราก็ต้องมาสู้กับความอยากกันมาตัดความอยากกันด้วยการกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสามประการด้วยกันเือรหนึ่งละการกระทําบาปทั้งปวงเพราะการกระทําบาปจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ายังไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็ให้ ทำบุญทำกุศลต่างๆไปก่อนเพื่อเป็นเป็นความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจดีกว่าไปทําความสุขไปเอาความสุขจากกามาตัาหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาแล้วก็ให้มุ่งไปที่การชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือชําระความอยากทั้งสามคือกามาตฐาหาภาวะตันหาวิภาวตันหาด้วยการไปบําเพ็ญจิตภาวนาด้วยการไปปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรมจะเริยนปัญญาฟังเทศฟังธรรมไปแล้วต่อไปก็ใจก็จะมีความสามารถที่จะละความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ปราศจากความกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาก็ถือว่า ถ้าได้ถึงขั้นนั้นก็ได้เรียนสำเร็จได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดก็จะไม่ต้องมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่ในนิพพานไปตลอดบรมมัศุขไปตลอดปราศจากความทุกข์นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมต้องฟังอยู่เรื่อยๆเพราะฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมก็ต้องกลับมาฟังใหม่ เราฟังรายละเอียดต่างๆวันนี้อาจจะพูดบางเรื่องบางอย่างที่ยังอาจจะไม่ชัดเจนแต่มาฟังครั้งต่อไปก็จะได้ฟังอีกรูปแบบหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้นําเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อไปก็คิดว่าวันนี้การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวอภิวัตนศสีลิสะนิจังวุธาปจายโลจตาร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 อันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา374เ c e บ o o k พระอาจารย์26 YouTube 210วิทยุออนไลน์9 c l ับ h o u ส e 14ผู้รับฟังหน้ากุฏิ194คนรวมทั้งหมด827ครับ ถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้เลยขับเ้ามีก็เปล่ามีครับเชิญขับเ้าก่อนนะคุณบอยผมถามได้เลยใช่มั้ยครับ ไ, ไม่ด้ครับได้ครับครับผมเรียกถามพิาจารณาเกี<ๆ>่ยวกับเรื่อง เพื่อที่จะทําให้มันเลี้ยงดูบุปการีหรือเลี้ยงดูตนเองได้มันมันจะทํำยังไงให้มันเกิดมองว่าให้ความอยากของเราเนี่ยมันถูกต้องครับก็ให้มองว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีจะได้ไม่ทุกข์เพอะความอยากของเราไม่ได้หมายควาว่าจะได้เสมอไปแล้วถ้าอยากมากๆไม่ได้ก็อาจจะไปทําอะไรที่เป็นทุจริตได้ทํำบาปได้ก็เลี้ยงกันไปตามมีตามเกิดนะ เดี๋ยวก็ตายมีกินมากกินน้อยเดี๋ยวถึงเวลาก็ตายเหมือนกันก็ทำไปตามความสามารถของเราแต่ให้มันอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามอย่าให้มันไปทำให้เกิดโทษกับตัวเราแ ล, ว, แลวก็บผู้อื่นเช่นไปทำบาปอย่างนี้เป็นต้นอยากจะหาเงินเพิ่มก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็เพียงแค่ <c oughs> แ, แค่ว่าแค่ตายทั้งนั้นเอง เลี้ยงดูกันได้ในที่สุดก็ต้องตายกันช่อยมาดูทางจิตใจกันดีกว่ามาดูแลจิตใจให้รักษาศีลดีกว่าดูแลจิตใจให้สงบดีกว่ามีคุณค่ามีประโยชน์กว่าเพราะจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะผลที่เราทำให้กับจิตใจยังอยู่ต่อไปเป็นประโยชน์กับจิตใจต่อไป แต่ผลที่เราทาให้กับร่างกายสิ่งที่เราทำให้กับร่างกายพอร่างกายตายไปมันก็หมดไปทำให้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเวลาตายมันก็เท่ากัน<ม>อยู่ดีอยู่ไม่ดีเวลาตายก็กลับไปที่จุดเดียวกัน<ม>เหมือนกัน<ม>งั้นให้เอาดีทางจิตใจดีกว่าอย่าไปดีทางร่างกาย ถ้าดีทางร่างกายได้แล้วก็จิตใจก็ดีได้ด้วยก็กดีไปแต่ถ้าดีทางร่างกายแล้วจิตใจไม่ดีก็ขาดทุนเข้าใจไห ม, มได้ยินไหมได้ยินครับพอาจารย์โอเคครับ า, า, างี้ครับคือคื อ, คอผมเข้าใจที่พราจารย์แนะนำหรารสักส น, นะครับแต่ว่ามีเพื่อนผมเขาพูดว่าได้เ่อผมฟังพระเทพฟังทำไม เวลความอยากทําไมต้องมาสอบเรื่องตําแหน่งเขา ม, มีสอบก็เฉยๆไม่ต้องไปสนใจต่อคือไม่ต้องมาหวังที่จะก้าวหน้าคืออยู่เฉยไปผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วยิ่งแล้วยิ่งคือคือาการที่ผมสมัครสอบอย่างนี้มันผิดด้วยเหรออะไรเงนี้ครับผมก็่ได้งงเลยงงงครับอาจารย์คือการหาธรรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเนี่ยมันไม่ไมันไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นความอยากไม่เป็นตันหาเนียเป็นความจําเป็น แต่ต้องอยู่ในกรอบของความมากน้อยสันโดษ <_ d ose> คือให้มันพอเพียงไม่ต้องมากเกินความความต้องการของร่างกายก็พอถ้าต้องการมากกว่านั้นถือว่าเป็นตัญหาเช่นอยู่บ้านราคาเช่าบ้านเดือนละสามพันอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่คอนโดนเดือนละสาม0 0ื่นอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญหาเป็นความอยาก ใ, ให้เราอยู่ตาม ตามมีตามเกิดตามฐานะของเราได้อยู่หาตามกำลังของเราได้อยู่ใช้ตามกำลังของเราตามความต้องการของร่างกายอย่าไปทำตามความต้องการ ข, ของใจมันก็จะเป็นตันหาความอยากขึ้นมาเข้าใจไหมครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับสาธุครับคำถามจากผู้ฝากถามที่น่า ก, กุตินะครับ คำถามที่หนึ่งการวางจิตในเรื่องการขอพอรจากเทวดาและเทพต่างๆในทางพุทธศาสนาการร้องขอสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรครับท่านพระอาจารย์เมตตาแนะญาติโยมในการบูชาในเรื่องดังกล่าวอย่างไรเพื่อไม่ขวางทั้งทางธรรมและสามารถไปได้กับทางโลกปัจจุบันครับคือศาสนาพุทไม่ได้สอนให้ขอเลยสอนให้ทำ ทำแล้วก็จะได้สิ่งที่เราต้องการขอก็แล้วแต่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วแต่คนให้เขาจะให้หรือไม่ให้แต่ถ้าเราทำ่างนี้เราได้แน่นอนเช่นเราทำงานนี้เรามีเงินเดือนแน่นอนแต่ถ้าเราไปขอเขานี่บางเดือนเขาอาจจะให้เราบางเดือนก็อาจจะไม่ให้เราก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าในในคำสอนของพระเจ้าไม่มีคาว่าขอนะ คำว่าขอนี่เป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธเราเองที่ว่าจะขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ขอไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำทำทำดีละชั่วแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีตามมาเห็นอย่าไปขอไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรใครก็ตามให้พึ่งตนเองเนี่ยอัตตาเหอัตโนธถอยากจะได้อะไรหาเอาเอง โยเวนเวลาที่เรายัางไม่มีความสามารถก็ต้องพึ่งคนอื่นก็ต้องพึ่งเขาไปก่อนก็ต้องทำใจตามมีตามเกิดวันไหนเขาจะให้เราเขาก็ให้เราวันไหนก็จะไม่ให้เราเขาก็ไม่ให้เราก็อย่าไปหวังอะไรจากคนอื่นอยากจะได้อะไรขอให้เราหามาด้วยตนเองจะดีกว่าคำถามที่สอง ผมนั่งทำงานเดินยืนหรือขับรถพยายามให้มีสติอยู่กับร่างกายความรู้สึกอยู่กับร่างกายเพื่อไม่ให้ความคิดแทรกเข้ามาแบบนี้ทำถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าเราทำเพื่อคอยควบคุมความคิดต่างๆได้ก็ถือว่าใช่ได้คำถามจากคุณบรเชษฐ์ คำว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นเวทนาในเวทนาขอโอกาสพระอาจารย์ขยายเนื้อความของธรรมนี้ให้ด้วยครับก็เห็นกายในกายก็เห็นสิ่งต่างๆอาการต่างๆที่อยู่ในร่างกายไงเช่นเห็นผมขนและบันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ก็เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาก็เห็นเวทนาที่มีอยู่สามชนิดมีศึเวทนา ทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็เห็นเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตก็เห็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์เบิกบานอารมณ์โกรธอารมณ์เปรเียดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นเห็นจิตในจิตเองคำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์เมื่อเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับคําสั่งจากทางหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด ผมควรใช้หลักธรรมข้อไหนในการปฏิบัติงานครับก็หลักความจริงไงก็ปฏิบัติไปตามทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุด้วยผลนี่เองทำอะไรให้ทําตามความหลักความเป็นจริงคือหลักของเหตุผลเหตุนี้ทําให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเหตุนี้ทําให้สิ่งนี้ระงับไปเราก็ทําไปตามเหตุตามผล คำถามจากผู้ฝากถามเวลาไปทำบุญที่วัดขณะที่กราบพระจะมีอาการน้ำตาไหลตลอดอาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากอารมณ์ที่เราไปสัมผัสกับสิ่งที่ถูกใจเรามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้บางคนเห็นดาราก็กรี๊ดขึ้นมาน้ำตาไหลออกมาร้องร่ำขึ้นมาบางคนเห็นไปกราบพระแล้วก็ขนลุกสู้ขึ้นมาน้าตาไหลขึ้นมา อันนี้เป็นเรื่องของปฏิกิริยาของจิตใจของแต่ละคนต่อต่อสิ่งที่มากระทบกับกับจิตใจเท่านั้นเองแล้วให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงกัแล้วกันเกิดแล้วดับอ น, นิจจังอนัตตาเราไปควบคุม บ, บังคับมันไม่ได้มันจะเกิดก็ห้ามมันเกิดไม่ได้มันไม่เกิดจะสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นเอง <c oughs> คําถามจากคุณจิ๊บ นั่งสมาธิมาได้สามถึงสี่เดือนแล้ววันละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงครับช่วงสามเดือนแรกก็สงบดีช่วงเดือนหลังมาจะมีอาการชาที่หน้าผากปวดหน่วงบริเวณดวงตาและหายใจไม่อินครับนั่งไปแล้วกว่าอาการจะดีขึ้นก็เกือบครบหนึ่งชั่วโมงตอนใกล้จะออกจากสมาธิแล้วครับเกิดจากอะไรครับและต้องแก้ไขอะไรไหมครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิด บ่อยไหมเกิดทุกครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็ลองลองสังเกตดูว่ามันเกิดเกิดทุกครั้งเกิดเพราะอะไรส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัญหาได้ก็คือความอยากนะอาจจะเกิดความอยากให้มันสงบมันน่มั น, ม, ม, นมันยังไม่สงบมันก็เลยเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ระยะแรกๆเวลาเราปฏิบัติเราอาจจะไม่มีความอยากเหล่านี้มันก็เลยไม่มีผลต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น แต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเราได้เคยได้ผลมาพอเรานั่งทุกครั้งเราก็อยากจะได้ผลเหมือนเดิมนี้ mm hmm. ก็อาจจะทําให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้ฉั mm ้น hmm. พยายามอย่าไปอยากให้ผลที่มันเคยได้มันเกิดมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีสติอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวอย่าไปนั่งอยากถ้านั่งอยากแล้มันก็จะไม่เกิดผลแล้วมันก็จะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ คำถามจากคุณ น, นิกจิตผมคิดลบปลู่พระพุทธเจ้าแล้วไปเล่าให้แม่ฟังครับ<ม>ถือว่าผมพูดลบปลู่หรือยังครับผมแค่อธิบายให้แม่ฟังกลัวมากเลยครับปรึกษากับแม่อธิบายให้ฟังตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจคิดมันผุดขึ้นมาเองครับแบบนี้ถือว่าผมได้ลบปลู่หรือยังครับก็ และลบหลู่ส่วนอย่างแนละ้วคือการลบหลู่มันมีสามทางด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจพอคิดนี้ก็ลบหลู่ไปทางใจแนละ้วเราไปพูดก็ลบหลู่ทางวาจาเอาไปกระทา ม, มันก็จะลบหลู่ด้วยการกระทำนั่นก็ถ้าคิดว่ามันเป็นการคิดที่ไม่ดีก็หยุดมันก็นแล้วกันห้ามตัวเองว่าคิดแบบนี้ไม่ดีมองพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐ ไม่มีใครจะเก่งจะฉลาดใครจะเมตตาเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามพระคุณด้วยกันคือพระบริสุทธิคุณบริสุทธิที่คุณก็ใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆมีปัญญาคุณมีความฉลาดไม่ที่ไม่มีใครจะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าได้แล้วก็มีพระกรุณาคุณ คือมีความสงสารต่อผู้อื่นทำงานทำอะไรด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีหลังจากที่ได้ทรงตัดสรตแล้วนี้มีแต่สอนธรรมะช่วยให้ผู้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุเป็นพระอาหารกันเป็นจำนวนมากมาย่ายกองอัสอนใจให้เราคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางความเป็นจริงแล้วต่อไปความคิดไม่ดีมันก็จะหายไป คำถามจากคุณเทสหากเรามองเห็นความอยุติธรรมการเอารัดเอาเปรียบการที่เราจะทักท้วงถือเป็นหน้าที่ที่สมควรหรือเราปล่อยไปการที่เราวางเฉยต่อสิ่งนี้จะเป็นการกระทําตามหน้าที่ที่สมควรไหมครับคือมันอยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่จะทำที่จะแสดงออกหรือไม่เราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแสดงเราก็ต้องแสดงออกไปแล้วสอง แสดงออกไปแล้วเกิดผลดีผลเสียอย่างไรหรือไม่ถ้าแสดงไปแล้วเกิดผลดีก็แสดงไปถ้าแสดงไปแล้วเกิดผลเสียก็อาจจะไม่แสดงจะดีกว่าเน้นต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาเพราะการแสดงของเรานี่เป็นเหตุที่จะทาให้เกิดผลซึ่งอาจจะเกิดผลดีก็ได้ผลไม่ดีก็ได้แล้วการจะแสดงไม่แสดงก็อยู่ที่เราอยู่ในฐานะที่เราจะต้องแสดงหรือไม่ต้องแสดง งั้นก็ลองพิจารณาให้รอบคอบก่อนคำถามต่อไปจากคุณนางมีสองคำถามนะครับคำถามแรกเราซื้อกินไข่ไก่ตามร้านค้าจะถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมครับ ไม่หรอกเพราะว่าไก่ไข่ที่มันก็เป็นไข่ที่ไม่ฟักตัวอยู่แล้วก็เป็นไข่เหมือนไข่ไข่ไม่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นไข่ที่ฟักตัวถ้าเราไม่รู้ก็ยังไม่ถือว่าบาปอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าเป็นของที่เราอาไปบริโภคได้นอกจากว่าถ้าเราต้องการความมั่นใจก็ถามคนขายกันว่าเป็นไข่ไข่ฟักหรือเปล่าหรือไข่ไม่ฟัก ค่ะ น, นีำถามที่สองการถวายอาหารถวายน้ำกับพระพุทธรูปในบ้านทุกวันถือว่าเป็นการผิดพระธรรมวินัยไหมครับและจะได้บุญไหมครับไม่ได้บุญนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการกระทำตามคำสั่งคำสอนท่านให้บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนหรือ ด, ด้วยการกราบไหว้ก็พอแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปเท่านั้นการบูชามีสองระดับด้วยกัน ทำมิสบูชาก็บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องไหว้สักการะต่างๆและไม่ใช่เครื่องกินเครื่องดื่มเพราะพระพุทธรูปท่านดื่มไม่ได้ท่านกินอะไรไม่ได้เราต้องการแสดงความเคารพด้วยการเอาของสวยๆของงามามามามาบูชานี้เช่นดอกไม้ก็ใช้ได้แล้วก็อีกระดับหนึ่งก็ให้เราปฏิบัติบูบชาคือบูชาด้วยการกระทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวิธีบูชาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรากระทํากันคือให้เราปฏิบัติบูชากันเพราะการปฏิบัติบูชาจะทําให้เราได้รับบุญได้รับผลแต่การอามิสบูชานี้จะไม่ได้รับผลอะไรมากนอกจากการที่เราเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้มีสัมมาคาระวะเท่านั้นเองคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หนูพยายามทําดีต่อครอบครัวและสามีแต่ไม่ค่อยจะมีอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่เจ้าขาได้แต่ผลที่มากระทบที่ทำให้ใจเกิดทุกข์ก็เลยถอยออกมาจิตใจก็สงบแต่ก็รู้สึกขาดหน้าที่ก็เลยกลับเข้าไปแล้วก็ได้รับความทุกข์กลับมาอีกเช่นเคยทำให้จิตใจฟุ้งซ่านลูกควรทําอย่างไรเจ้าขาก็ทำหน้าที่โดยไม่หวังผลตอบแทน คือเรามีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ทำไปแต่เราไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราทำหน้าที่กับเขา mm. ไม่ต้องการให้เขาขอบใจเราไม่ต้องการให้เขาชมเราหรือให้รางวัลกับเราเราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไม่หวังผลตอบแทนก็เราใจของเราก็จะสบายไม่ทุกข์แต่ถ้าเราทำแล้วเราหวังผลตอบแทนเขาจะต้องดีกับเราเขาจะต้องขอบใจเราเขาจะต้องเอาอกเอาใจเราอย่างนี้ เราก็ไม่ทำเราก็จะเสียใจทุกใจคำถามจากคุณวิระยุทธ์จิตของเราพอได้ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็รู้สึกผ่องใสมีกำลังเหมือนจะไปสวรรค์นิพพานอยู่ตรงหน้าแต่พอวันไหนไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ เพลินไปกับกิเลสครับเราควรจะปฏิบัติอย่างไรให้จิตใจเราผ่องใสอยู่เสมอและตลอดไปครับคือก็ต้องฟังแล้วก็นำมาไปปฏิบัติ ด, ด้วยสลับกันไปฟังแล้วก็ไปปฏิบัติพอรู้เสึกก็หมดกําลังใจก็กลับมาฟังใหม่แล้วก็ไปปฏิบัติใหม่เป้าหมายก็คือฟังเพื่อนำมาไปปฏิบัติ เพราะถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปธรรมจะเข้ามาในใจของเราจะอยู่ในใจแล้วธรรมจะให้กําลังใจให้ความสุขกับเรา mm hmm. ตอนนี้เราต้องอาศัยธรรมของครูบาอาจารย์ก่อนเหมือนรถที่แบตเตอรี่หมดนี้ต้องอาศัยแบตเตอรี่ของรถอีกคันหนึ่งมามามาสตาร์ทรถของตนเอง mm hmm. แต่ต้องไปเปลี่ยนแบตเ mm hmm. ชื่อให้มันสามารถชาร์จไฟเข้าไปใส่ในแบตของตนเองได้ ใจเราก็เหมือนแบตเตอรี่ตอนนี้มันมันไม่มีไฟของตัวเอง <c oughs> ก็เลยต้องอาศัยไฟของคนอื่นมาเติมเติมบับเดียวเดียวมันก็หมดนี้เราต้องหัดชาร์จไฟในใจของเราเองชาร์จธรรมะด้วยการปฏิบัติฟนะังแล้วก็นำออกไปปฏิบัติตัวสาคัญก็คือสตินี่ปฏิบัติสติไปเรื่อยๆวันนี้จะชาร์จไฟจะชาร์จทรให้เกิดขึ้นมีสติแล้วใจจะเย็นใจจะสบายมีพลัง สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้ย อ, อีกมากมายเห็นพยายามเอาว่าเอาไปปฏิบัติอย่าฟังอย่างเดียวฟัง อ, อย่างเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาฟังใหม่คำถามจากคุณยงยุทธผมนั่งสมาธิมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ ตอนนี้อาการที่เจอคืออาการที่นิ่งสงบว่างอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมครับและต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็ทำให้บ่อยๆทำให้มากๆให้มันว่างๆเหมเดียวกับไปดูหนังดูละครดูไปกินไปดื่มอยู่กับความว่างความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพยายามทำเรื่อยๆทำให้มากขึ้นให้มันว่างนานๆว่างบ่อยๆคาถามเวลาหมดแล้วนะมีคำถามคาถามสุดท้ายก็แล้วกนะัน คำถามจากคุณสรัญญาปกติเวลานั่งสมาธิจะยึดคำบริกรรมพุทโธเป็นหลักแต่เคยได้ฟังเทศมาว่าควรจะพิจารณาอสุภะไปด้วยอยากจะลองพิจารณาแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องพิจารณาอย่างไรครับและพิจารณาตอนไหนขอคำแนะนาจากพระอาจารย์ด้วยครับคือการปฏิบัตินี้มันมีสอ ง, สองตอนตอนทาใจให้สงบกับทำตอนสอนใจให้ฉลาด ถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องใช้พุโทโธพุธโทโธเรือดูลมหายใจเขาออกไปไม่ควรพิจารณาอสุภะแต่อย่างใดถ้าเราต้องการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าร่างกายนี้สวยงามหรือไม่สวยงามเราก็ต้องพิจารณาสุภะซึ่งต้องมาทำคนคนละตอนกันตอนทำใจให้สงบก็อย่าคิดตอนทำใจให้ฉลาดก็คิดคิดในเรื่องที่จะทาให้ใจ ให้ได้เห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายเ <_' S 1> ช่นนสุภาเนี่เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นต้นน้นเราต้องรู้จักแยกแยะว่าเรากําลังจะทําอะไรเหมือนเราไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราก็ไม่เอาหนังสือภูมิศาสตร์เข้าไปเรียนเนีเวลาเราไปเรียนภูมิศาสตร์เราก็ไม่ได้เอาหนังสือคณิตศาสตร์ไปเรียนมันเรียนเข้ากันไม่ได้มันจะทําให้ขัดกันนะเวลาทําใจให้สงบนี้เราไม่ต้องการคิดเราต้องการหยุดคิด ทำใจให้นิ่งด้วยกันเพ่งเพ่งคุดโทรหรือเพ่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราต้องการความฉลาดความรู้อยากจะรู้ว่าร่างกายเรานี้สวยงามไม่สวยงามจริงๆก็ดูอาการสาสิบสองไปพิจารณาดูอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเราแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้สวยไม่ได้งามอย่างที่เราหลงคิดกันนี่คือการปฏิบัติซึ่งเรามักจะสับสนไม่เข้าใจ แล้วอามาปนกันมันก็เลยเหมอือนกับกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นมาปนกันมันจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นกินก็ไม่อร่อยมีแต่ต้องเททิ้งไป mm hmm. อันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติสมะถะแล้วไปพิจารณามันก็จะไม่สงบ mm hmm. ถ้าต้องการความถ้าต้องการความรู้ก็ต้องไม่ไม่ไม่เพ่งดูลมหายใจไม่พุทโธต้องพิจารณาตายักษพิจารณาสุภะเป็นต้น ขอให้เข้าใจดังนี้แล้วเราจะได้ไม่สับสนมันคนละวิชากันนะอาลานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ